พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่ยี่สิบก้าจูฬสะกุลุธทธายิสูตรสูตรว่าด้วยสกุลุธทธายิปริพาชกสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวนารามใกล้กรุงราชครืเช้าวันหนึ่งเสด็จไปบินธบาตในกรุงราชครื้ได้เสด็จแวะณนะอารามของปริพาชกอันเป็นที่ให้เหยื่แก่นกยุง ตรัสสนทนากับสุกูลุทายิปริภาชกถึงเรื่องผู้ปฏิบัติตนว่าเป็นสัพพัญยูคือรู้สิ่งทั้งปวงแต่เมื่อถูกถามเข้าก็ตอบเลี่ยงไปมาและแสดงความโกรธให้ปรากฏตรัสสนทนาเรื่องคุณใพิเศษมีการระลึกชาติได้เป็นต้นกับเรื่องวันนะอันยอดเยี่ยมจนถึงเรื่องข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียว ซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงข้อปฏิบัติตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงคืออาสวะขยะยานหรือยานอันทมอาสวะให้สิ้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาสกุลุธายิปริภาชกทูลสรรเสริญแสดงตนเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตและขอบรรพชาอุปสมบทแต่บริษัทคือสิทธิานุสิ์ ขอร้องไว้ไม่ให้ออกบวช ด, ด้วยให้เหตุผลว่าเคยอยู่อย่างเป็นอาจารย์อย่าไปอยู่อย่างเป็นศิษย์เลยจึงไม่ได้บวชพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่30สเวคณะสสูตรสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อเวคณะส พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามปริภาชกชื่อเวคณะสะเข้าไปเฝ้าทูลเรื่องวันนะอันยอดเยี่ยมแต่ชี้ไม่ได้ชัดลงไปว่าวันนะไหนซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสชี้แจงให้เห็นว่ามีสิ่งที่เลิศกว่ากันเป็นชั้นๆรวมทั้งกามาสุขสุขในกามสุขที่เลิศกว่าสุขในกาม เมื่อจบธรรมเทศนาเวคณะสับ ป, ปริภาชกทุนสันเสริญแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต